พระบัญญัติก็ภิกษุใดฉันแล้วบอกห้ามพัฒหารแล้วเคี้ยวของเคี้ยวหรือฉันของฉันต้องอวดปลาจิตตีสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องภิกษุหลายรูปจบ